ทุกคนก็สั่งว่าถ้าพบลูกตอนลูกในเมืองมนุษย์นะ่ะยังมีกับชาญาต่างๆยังมีอีกหลายคนนอกจากลูกของแม่ศรีแล้วก็ยังมีลูกของสิริกัญญาพระสิริลัคนาเป็นต้นพระสินันทาสิปัญายังมีอยู่ในเมืองมนุษย์ ก็บอกให้พยายามหาหพบถ้าพบแล้วให้ระดงธรรมทีสนาโปรดูให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยที่สุดให้ส่งชานแล้วก็ให้ไดอริยามัคคิเลผลดวงตนไปอย่างน้อยในที่สุดให้ฉันก็ไม่พอใจอริยมัคกกริเลผลฉันก็ยังไม่ได้นี่เขาจะให้ฉันสอนให้ได้ยังไง ตอนนึกตั้งไวคนตัวเองยังไม่รู้จักป ร, รุประนาตาเรียรมกระเรียผลเป็นยังไงแล้วเราจะไปสอนคนอื่นเลยถาได้เรียรมักระเรียผลมันจะเป็นไปได้หรืออันนี้เป็นความคิดในระหว่างนั้นแต่วันนี้ศุกร์ก็กลับตั้งใจไปถึงวันใดก็คิดว่าเดินมาแล้วก็กลับพอลงมานิดหนึง่งก็ติด้ร่างกายข้างห่างก็รู้สึกตัวมันก็บฝันไป การไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับความฝันเห็นสภาพเหมือนเราฝันฝันแต่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวดีพอลุนตายขึ้นมาเห็นหลวงพ่อป่านเย็นจุดช่องประตูมีพระทั้งวัดพระวาดเต็มไปหมดดูล้อมสถานที่หลวงพ่อป่านฤทธิ์คุณมาอะไรลึกฤทธิ์พิงกับกราบทาสามครั้งบกมาแล้วก็รับ ไอ้ฉันว่าแล้วไอ้เธอน่มันไปได้นานแล้วแต่เธอมาเฉลาดนีเธอจะลาดนิดเดียวถามว่าถ้าลาดอยงไงเพราะว่านิดแค่ทเวลาจะไปทำไมแล้วเวลาทำสมาธิก็ย่าคิดเวลาจะไปทำแต่เพียงสมาธิอย่างเดียวกันในจิตนิดหน่อเราจะไปไหนจิตเข้างการีมันก็ยกมหมายความว่าคนที่ได้สมาธิสมบูรณ์บริบูรณ์ ถ้าไดคนใดถ้าได้สมาธิไม่ตามติดตามวิธีการผมบอกให้อธิษฐานว่ามาเข้าถึงฌานสี่แล้วแผลหลังมาถึงอุปจารณาฌานลหลังว่าขอร่างกายนี้จงโปร่งเป็นโปร่งขึ้นขอกายกายหนึ่งที่มีภายในจงปรากฏเมืนี้ร่างกายก็จะเป็นพระเขาฌานสี่ ไปมาเขาปรจาราญกำหนดจิตกรมนั okay, there are, there are right, like er ้นตายก็จะเป็นสงร่างกายใก้หนึ่งก็จะแยกอย่ขึ้นในสวงนั hmm ้นแลวก็กาหนดจิตเคลื่อนไปตามความประสงค์ไปทางไหนก็ไปได้ดูจะเธอแค่ลเธอไปได้นานแล้วแต่วันที่เจดเป็นย่างชาของวันบวชพูอย่างนั้นแล้วก็กราบอีกครั้งหนึ่งเมืกับผมโง่ไปก็รับ ก็เลยบอกว่าฉันเห็นเอชอบเล่นชาเนี่ยฉันก็เลยปล่อยความจริงก็ดีได้ชาหลายๆอย่างได้กรรมฐานหลายๆของมันเป็นของดี ถ, ถ้าจะต่อจากนี้ไปเธอจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ ต, ตามความปรารถนาแต่ว่าจงอย่าเพ้อเกินเกินไปจะคิดว่าสวรรค์เป็นของดีจะคิดว่าพมโลกเป็นของดีสวรรค์ก็ดีพรมโลกก็ดียังมีการหมดบนวนาสนะบรารมีต้งเกิตต้องตายลงมาเกิด เคมานี่มาจากคมมาโลกเคยเคยเคเป็นผมมาแล้วยังกฝึกฝนจิตของตนของข้ ง, งตัวให้เข้าสู่ระดับผมตามเดิม้วเก้าจิตแย่งเข้าสู่ถึงาาภาวะปณิพานต่อไปด้วยการเยริณิปัสสนาอย่างมันสอนอย่างนี้แล้วท่านก็ยินยินท่านก็เดินกลับท่านบอกนี่คนคิดมาเป็าเท่าไหร่ก่กผมคิดาคงคงอย่าเบคำมาที่ไหนได้เลยคุณตีอแล้ว ในเวลาตีสองแล้วมันตกใจว่าเอ๊ะเนี่ยอะไรถูกเงาเดียวเข้างบนข้างลางตีสองนมันจริงจริงไอ้เมืองสวรรค์กับเมืองมนุษย์มันเทียบอะไรกันไม่ได้เลยเขาปาตั้งใจว่าพวกก็ไม่จริงจะไว้กำหนดเวลาทุ่นที่เราพูดเนี่ยเมืองมนุษย์ถ้าพูดอย่างนั้นมันก็คงจะไม่ถึงนาทีนั้ แต่มันไม่ติงเวลากรไปถึงก็น่าแปลกเวลามันต่างกันมากเมื่อลวงพ่อปกลับก็เดินไปเข้าห้องอาบน้ำก่โดนอานอานระายเสร็จก็เดินไปเข้าห้องเจ้าฤษวัดกลมาอยู่ข้างประตูมันไเที่ยวได้นานแล้วกเรากพวกเราดูว่าคุมึงราดึงเว้ยคยมึงวดึง น้อยจนไปเมืองจับบ้านเพดันนุ่งผ้าลอยชายอาภาภาออเอาผ้าคล้องคอเพราะนั้นยังไม่พอยังกลับามาเอาบาตจะไปบินบาบัดเมืองถือว่าดาเวลาบาใบ ม, มันพระเมืองไหนกันวะนี่เขาแกล้ง ว, ว่าหันไปแลกไม่รู้ว่าใครแน่มันมึดๆหันดูว่าไอ้สองตัว น, นั่นเองเอยบอกว่าเอย ไอ้เจ้าสองตัวละมึงไปได้นานแล้วมึงไม่แสร้กูมึงคนนี้กูไม่ง้อมึงก็ไปได้ปะแล้ทุกคนก็หากันมาพูดคุยกันตามสบายตามภาษาเพืดีนัดมีเมื่อได้ท่องเที่ยวได้อย่างนั้นแล้วฉันก็ไปเลยฉันก็อยากจะไปในรถฉันก็ไปแต่นรถฉันไปบ่นตัวฉันจะดันเป็นอะไรฉันไปฉันเคยถามเขา วาอีเมืองนรกเนี่ยอีขุมไหนหฉันมามาที่สุดฉันเคยไปมนรกขุมไหนบ้างเขาก็บอกว่าขมที่สามกับขุมที่สี่ 4, นี่มาหลายครั้งแต่ไม่ถึงขุมที่เจ็ที่แปดก บ, บุญเต็มทีแต่อบีบุญก็ไม่ไหวนรกที่ไหก็ไม่น่าไปเลยมันร้อนเลอเ ก, กินมันร้อนยิ่ง่าไปในเมืองมนุษย์มากแต่ว่าเขาบอกว่าที่มากที่สุดที่ท่านมาก็คือ ชิ้นคือนรกเป็นยมโลกชิ้นนรกมรกุยนรกอะไรก็ได้ไอช้นคือเนี่ยก็เป็นะกอนอยูถามว่าทำไมมาบ่อย h ั่นแหละเขาก็บอกว่าท่านมันจ้โชวทุกชาติพอเอาใจโชว์เขายกยอปอปั้นให้บ่อยที่เายกให้เนี่ยมัเป็นไรต้องการที่เ้าไม่ยกก็ด ให้พ่อที่จะมาสู่ระดับตัวนี้ไม่ใช่ว่าตรงเมียเขามันลูกเาหลานเาเลาคนใช้เขาฆ่าท่าดึงใจเขาตัดคนปกครองเขาไม่อนุญาตมันเอาทั้งนั้นมันลงแต่มันโอ้โหยเลยบอกว่าต่อไปนี้หน้าโจะไม่มาอีกแล้วก็เลยบอกหน้าโกจะไม่มาแล้วแต่มันชไม่ได้มาหนิแค่นาวัดเนไปที เอาลยตอนนี้เที่ยวได้แล้วคิดประจุกต์กุยานยังไม่ได้เน่มันพอมาเลยนี่านบุคันการได้ชันโลกีเนี่ยท่องเที่ยวในสวรรค์ได้แล้วเลยนะยังไม่พอจะกทิประยก์ุญานอีกแล้วน่งอยู่เ น, นึกในใจว่าถ้าสิเกียเที่ย ว, แ ล, ว, วแล้วจะได้เห็นเทวดาแล้วจะได้เห็นนรกเห็นสัมมโลกเ็นนิพพานเอา่านั้น ด้วความพอไม่มีอย่าลืมนะว่าคนที่ในฌานสมาบัติคนที่ท่องเทียวไปในต่างๆเมียปัญญาสมาบัติถ้ายังเป็นโลภีวิสยัยเจ้าคือยังเป็นฌานโลภีอเรอนี้กิเลสมันยังท่วมหัวกคยังไม่ใช่คนดียังเป็นคนเลวถ้าจิตเนเจ้าฌานเมื่อไรเป็นนิจชาที่ผิดได้เหมือนั้นมาเป็นนิจชาที่ผิดได้<ม>ก็ลงนรกได้เหมือนั้นนีกออก่ก็เอาตัวไม่รอด อาจจะไปหลงเขาเห็นเขาใครก็ห่อเหินบรกาศได้มุตอะไรต่ออะไรได้ต้องเที่ยวไปทีสวรรค์นรกได้เห็นผีเห็นเทวดาได้อย่าคิดว่าเขาเป็นผู้วิเศษแต่เขายังเป็นผู้อวดตัวยังทำเพื่อโชว์ให้ดูเพอหวังลาบผลแล้วก็อย่าไปเที่ยจะเป็นพระแล้วเป็นฆราวาสก็ตามอย่าเชื่อวว่าเขาเป็นผู้วิเศษพวกนี้ยังไม่เป็นเบี้ยคนนรกอยู่ เขาคิดว่าตัวดีคนไหนก็ตามรู้ตัวว่าตัวดีคนนั้นเสร็จไม่มีความดีคนที่เขาถึงดีแล้วอย่างพาาระอรหันต์องค์ท่านไม่รู้ไม่เห็นว่าตัวดี้เกดตัวเบืหน้ายในตัวเบือนยในเลกเบือนยในความดีของมือมนุษย์แต่การชมคำชมทั้งหลายก็เหมือนกับหอกเข้ามาทิ้งใจอันนี้มันเป็นความเป็นจริง คนที่ลงในความชมก็คนโง่ไอ้ใครที่พยายามมาชมเราเขาชมเพื่อใช้เไม่ไชมเพื่อให้เขาอยากใช้เราหระเขาจะไม่ชมเมื่อคนใดที่หวั่นไหวในคำตำหนิตีเตีงคนนั้นก็เป็นคนโง่ไอ้คำตำหนิตีเตียงมันก็เป็นลมลมแรงแรไม่ได้เป็นโดตามนั้นเราว่ากันต่อไปเมื่อฉันได้ก้องเทีเดตามสบายฉันย่าได้ทิพย์ุยา ก็ปวดตำราตำราท่านบอกว่าให้เจริญกสิณสามอย่างรัวเตโชกสิณโลอาโลกะสิณโลธานกสิณนี่ฉันได้แล้วทำยังไงถ้าให้จัดนิมิตอธิฐานนิมิตจับนิมิตกสิณเมื่อนิมิตกสิณเกิดขึ้นแล้วอธิษฐานว่าขอนิมิตที่ต้องหายไปขอภาพนรกภาพดาวันภาพอมตะโลกแต่ได้เิดต้องแปลกด อันนี้ไม่อยากทำได้เลยมันได้แล้ววออดิฐานแล้วก็ทำได้เลยเพราะกระถิ่นมันคล่องแล้วการต้องทยลบากวนทีนี้ใครเข้าไปเข้ามาฉันก็อยากจะรู้อยากจะรู้ว่าใครเข้ามาทุระอะไรมาทำไหมคนที่มาหนีมาทำไมเมื่อพบอยูอะไรแบนัเจโตบริสยังก็บอกให้รู้รูได้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะไปถามกันหน่ฉันที่เกลือรู้เต็มทีแล้วเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันไม่จวนตัวเต็มทีนะฉันไม่รู้ว่าเวลานี้ฉันที่เกลือไม่เหอนสมัยนั่นสมัยนันฉันคล่องเก่งขยันใครเดินไปเดินมาก็ตามจะไปธุระป่าังที่ไหนก็ตามฉันดักหน้าเลยนึกอยากจะรู้ว่าไอหมอนี่มันจะไปทำไมพอรู้แล้วก็ถานี่จะไปบ้าน้นมก็ต้องไปใช่ เขาคิดไปด้วยว่ไปธุระนั่นจะสมความปรารถนาไหมหรือไม่สมความปรารถนาจะพบคนที่ต้องการพบไม่รู้แล้วก็บอกเขาบอกไปบางคนไม่พบกงไปม่เดกไม่บคนที่จะพบได้สมความปรารถนาบอกไปไอ้ที่ต่างใจว่าเียร้อยจนเป็นที่เล่าือนหลายพระของพรนองค์หนึ่งมานั่งเป็นโยคีอยู่ข้างทาง ทำเป็นหมอดูบางคนก็ชมบางคนเขาก็นินทาก็หาบ่าวบ่าวบอกถ้าว่ามันก็ถูกก้ทำมไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์เกิดไปเป็นหมอดูข้างทางข้างถนนถ้าเขาไม่ได้วานดูก็ดูด้วยเขาด่าก็ถูกของเขายบางคนมันยังไม่ถึงดีมันอยากมีดีตอนนี้มัได้ยึไปดูขวยยานแล้วจะเล่นกับปญญาบ้าง คิดว่อริย ญ, ญาณดับสูงอันนี้เรามีอะไรต่างๆเราไม่ได้กสินทั้งสิบกองก็ตามเราได้ทั้งหกิบกองแ้ที่กองไหนที่ได้เราจะทำให้เป็นประโยชน์จะเอามั่งทั้งทั้งที่หลวง่ปานห้ามแล้วก็ไม่ควรทำแต่ก็คิดว่าเฮ้มันไม่ถึงว่าห่อหุนไดนะ้ในกายก็ตามจะลองทั้งอย่างสองอย่างเพื่อ ไ, ไปอวดไอ้เพื่อนมันม่ไอ้อย่างไหนที่เพื่อนเวายังไม่ไม่ทาให้ดู เรจะเอาอย่างนั้นที่เขาไม่ทำให้ดูมีอยู่อย่างก็คือเดินน้ำไอ<ห>้นั่งแล้ตัวลอยแล้วลูไ<ด>่ไปปิดปักไปโน่นไปนี่เขาทำได้เราไม่ทำก็คิดว่าไอ้เพื่อนมันยังไม่เดินน้ำเราจะอดเดินน้ำมันเอาไหนเอาน้ำเอามาเอาน้ำเดินน้ำให้มันดูเป็นการอดเขมือไอ้คนที่ได้ทานหนึงโรตีมันยังมีกิเลสอ่านอยากอดดีอดดีเสร็ มันเชื่อตัวอะไรไม่ได้รลูกหลานฟังไว้แล้วก็ฟังไว้ั้งยางไหนไม่ดีน่จะไปเอากก็บอกแล้วไอ้ยังไอ้อที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยจะไปทำอันนี้ก็เอาน้ำมาแก้วหนึ่งอดีฐานจิตเข้าชาาาั้นกัางคืนเราขอน้ำเข้าปฐวีกระถิ่นเข้ากระถิ่นดินจะทำน้ำให้แข็งแล้วก็ถินดินนี่ก็ปฐวีกระินี่ของที่อ่อนให้แข็ง S <S ท an, ำอากาศให้แข MM ็งทำน้ำให้แนก็ได้มอก่ายก็ได้หยบตรงนแ้มันแข็งมันหยดินเข้าฌานสี่มาตอนตอนตอนตอนตอนก็อธิษฐานมขอน้นี่เียจ้าไปตรงไหนข้อไม่แข็งเปนกระหินเราเข้าฌานสี่อดสบายถอยอุปจารฌานอธิษฐานในกลางเข้าานสีอีกออกเรานสีทจารยาน้จิ้มัน้แข็ง เปนตรงไหนแข็งตรงนั้นทำอยู่านี้สามคืนเล่อยู่สามคืนแล้วพอเข้าคืนที่สี่ก็ไม่แข็งทิพย์อยีกตอนนี้คืนนี้ไม่กว่าเอาแล้วจะต้องไปเดินน้ำหน้าวัดนู่นอีกสองไม่น้ำเจยาย้าพญาโตปซิเมนก็มีไว้หลวงพ่อเป็นสางไว้สอง พอปีสองก็ย่องไปโน่นไปเข้าชาณูนาปกุกเอาจากพระชาในยอ่องติดกมเพรปานจะรู้ทนหเจ้าไอ้คนหนุ่มไมโง่กว่าคแก่ห่ปานท่านรู้แล้วเว ด, ดาบกนอกบลดำท่านเว ล, า น, า, นลานี้จะนอีกแล้วจะเดินน้ห่ปานท่านมาดัก ไ, ไรก็ไม่ทราบไม่เห็นไม่เห็นท่าน พอไปนั่งเข้าฌานอธิษฐานนำให้นำแข็งพอเขาอุปจาระฌานอธิษฐานแล้วเข้าฌานสีพอจะานีเขาอุปจารฌาน้กเข้าฌานออกมาีแน่ใจแล้ววนำแข็งไอความละมาดมันมีอยู่ก็ยกขา้าน้ำ อีตอนนั้นไจิตมันจึ่งใจเกินไปมันดีใจเกินไปตกอยู่ในความละหมาดน้ำมันไม่แข็มมันเหลวหน้าหนาวด้ยตาเมื่ไปมิดหัวโง่ก็มาหน้าตาบอบน้อมหมดเกลียหมดตัวกันเดินขึ้นมาบรรโตกนั่นความจริตอนที่ทำเนี่ยไม่เด็กไม่เด็กซองผ้าธรรปกติเอาบาปเพีเดียวไม่ไว้ใจเหมือนกันใสตล่เรื่องจ มาโนงพาฝืนเดียวตอขึ้นมามองไปบนเกลื่อนเห็นน้องพ่อปานหัวเราะกักกักกักกักตามแตงบ่าของท่านท่านพอใจบอกไอ้ลิงดำแอบมาเล่นกลที่นี่แล้วทีเขาบอกแล้วไม่ยว่าไม่ให้เล่นิญญายกมือไหว้นบอกว่าผมจะลองครับลองว่าพอจะทกับเขาได้แต่หารู้จะทได้ก็จะเลิกดรู้ว่าตัวสามารถ ก็โหแล้อกาวได้ก็เอาลองก็ทได้แล้วก็เลิกนะเล่นมันต่อไปเยอะคนเยอะติดนฤทิ์มันจะไม่ได้ธรรมะไมอย่างนั้นเอาทไปเมื่อกี้เธอตั้งจิตนิรันเาสมาธิยังตกอยู่ในความปมาทไมอย่าสมาธเอาเข้าฌามันหนาวนั่นแหละ เอาเราสมาธิถึงอุปจารสมาธิจงอธิฐานว่าขอน้ำนีทั้งหมดที่กบจะเหยียบตรงแบบนั้นอาจจะเพราะที่เท้าเหยียบที่จะอธิฐานทั้งแม่น้ำแข็งมันจะใช้ได้หรือทางสัญจรของเขาขาดหมดทั้งทีเรือแพไปไม่ได้มันใช่ไหมนะครับการอธิฐานมดเรื่องนี้จะต้องอธิฐานาที่เท้าเหยียบตรงไปในคลยแข็งเหมือน ไม่จะไปเดินในฐานคอบใจเอาอธิษฐานก็ตั้งใจตามที่ว่าใจมาตั้งยุทธเนท่านไม่ดุอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกเท้าใสอีนีไม่กาวแรงแล้วค่อยๆก้าวโคจะตอีกคุ้มสมาธิเนียนันเหยียบพับลงข็งตึงขยับเท่าไรก็ไม่นุมเอาเท้าขวาก้าวลงไพับข็งตง ใจ ด, ดีสมาธิตั้งมันเดินจงกรมท่านก็บอกเอา้าจงกรมไปทำสบายท่านจะไปนอนเดินจงกรมไปนเหนือวัดใต้วัดในลำม่น้ำสบายตักสองชั่วโมงก็กลับกลับที่ที่ตอนนี้หนาวก็หนาวแต่มันไม่หนาวกิจในสมาธิไม่หนาวกิจใจมันเคลนเค่ น, นไม่หนาพิณเล่นกญญากับเาฟาแล้นพอตอนเช้าไปบำบาัดกลับมา หนุ่พ <mister isation> ่อปางโหรกักกักกเวลาแต่งขาวแต่กวมาคืนไอ้ลิงดำมันก็ไปเล่นคนในน้ำวะมันแอบหนีเข้าไปมันนึกจะฆ่าไม่รู้ไงพระนมนนี่มันโง่กับพระแกงก่อนที่มันจะไปมันเล่นแต่คืนแรกอนนีมาคืนที่สี่่คืนนี้เป็นแต่คนแรเทวดาเขมาบอกข้าแล้วว่าไอ้พระลิงดำของานเนี่เล่นคนอะไรจะเดินน้ำ เอมันก็เอาความมันได้สำคัญอะไัญไม่เป็นไรมันเอาตัวรอดควมันได้แล้พวกเราทั้งหมดเนี่ยที่นั่ ง, ยยงอยู่ที่นี่ยอยลงในบุญญาสมาบัดนะยังไม่ตัวอิสเซ่ที่ชื่ว่าชานโล ก, กีนี่ยังเอาตัวไม่รอดทุกคนที่จะตัวรอดได้ต้องทำตนถึงความเป็นพระอริยเจา้าังตะเบนดาบาัจไป กรรมเก่าๆทั้งหลายไม่สามารถแตดึงให้ไปสู่นรกแต่ถึงความเป็นเตสุกอกาันจะงอยู่แน่ตั้งแต่มนุษย์และสวรรค์เท่านั้นแตมีบารมีแ่กรชาดเดียวเป็นโสนบชาเดีวชาติต่อไปก็จะได้เป็นอรามถนิพพานถ้ามีบารมีบีอย่างกลางก็จะตัวอยู่ชาติถ้ามีบารมีอย่างอ่อนก็เกิดอยู่ชาติแต่ก็ไม่ต้องเกิดในบพม ปัทนาลุกตัดเปลี่ยนตักายสัตว์เดชธรรมให้ได้ตัวกายทร ง, งทรางโลกีธรรมดาอันนี้จรองอย่าเข้าใจไปเป็นของเรื่องเป็นของเมื่อเกิดแก้ได้เปน็นการปลุกกำลังจิตให้มีให้จิตมีกำลังอาศัยสมาธิเป็นพลังของจิตไปเรื่อยนี้พัฒนาอยาง ทนบดูตัวอย่างอย่างพระเทวทัได้ชินญาสมาบัติพอเฮิร์นกาได้นี่สุดจิตก็ระเลงหลงจิตว่าตัวเป็นผู้วิเศษกับจเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดจำเลิกจะยึดอำนาจพระพุทธศาสนาจะเป็นศาสดาสอนคุณเองแต่เนี่ส <laughs> ุดท้ายก็เสื่อมต้องตกนรกอเวจีมหานรกปฐมรกทั้งเป็น <laughs> <laughs> มีพบกเตอทั้งหลายจงจําไว้จงเข้าใจแต่การได้ทันโลกีนะี่ยยังไม่ใช่เป็นของพิเศษแม้ก็จงคิดไว้ว่าถ้าขณะใดาถ้ายังรู้ตัวว่าเป็นผู้วิเศษรู้ตัวว่าเป็นคนมีความรู้รู้ตั ว, วเป็นคนดีขณะนั้นก็คือว่าเป็นผู้ยังไม่เป็นผู้พิเศษยังเป็นคนเลยอยู่เพราะความอยากสางแต่กด แต่คนใดถ้าหมดอยากด้วยเหตุการณ์ทั้งปวงแล้วคนประเภทนั้นจัดว่าเป็นคนดีชั้นเลยแต่เกิดเป็นพระอริยะเบื้องสูงเข้าถึงพนิพพานได้ขึ้นที่ว่าความอยากนิดหนึ่งเป็นเครื่องข้องใจจงอย่าให้มีแต่ในจิตใจของตนมีเป็นองค์วิปัสสนาญาณชั้นสูงที่ตั้งกล่าววาจาสอนได้ประดามในด้านปัตตนะที่ดีย่ อันนี้เป็นเรื่องคนคิดมีเรื่องพี่เล่นพี่เล่ของฉันไปอย่างนี้แต่ฉันเลนะ่นอภิญญาเท่านั้นยังไม่พอนี่ฉันจะเล่าเรื่องพี่เล่นนี้ฟังอีกสักนิดใกล้เทปมวงนี้มันก็เข้าไปเยอะน้อยแล้วต่อมาวันหนึ่งลวงพ่ปานท่านมาเขา ว, วงพระจันทาน้างบรรดกจ้างบรไดทั้งโยังวัดขโมยตำราลวงพออยู่คนนี้ ไปปวดตำราเจอไอ้ที่เพิ่งทำโป้ครับที่เพิ่งติดโป้พอติดแล้วมันจะออกติดช่องไหนไม่จะออกท่องนั้นเราะว่ามันมีอนุภาพมากนะฉันก็ไปหาที่เิ่งติดหน้าผีาติดหน้าผีมาหาเครื่องมาจงรบตามตำลาฉันจะไม่บอกว่าตำราเขาว่าอย่างไรเดี๋ยวจะเอาเล่นเั็กจะกลายเป็นโจรลนชาบ้านไปเดนี้ยังันจ จำทัสิบล้านสี่สิบล้านสองร้อยล้านอะไรก็ตามมาเย็นทำจะไม่ทำล็อกมันบาปมาได้แล้วตามเวลาเขาบอกเดือนสเดือนเดียวฉันเสกเดือนเดียวเดียวไอเสกเดือนเดียวเดียวที่ไม่ได้ตั้งไฟนึงเอามือสามนิ้วทำ็นกงาวเอาตะหลักที่พึงวางไว้มือก็นั่งเทแล้วเข้าเตะตก็เสกเดือนเดียวเดียวแล้ แล้สุกก็เอามากินกินสดทัางเสียวทั้ง น, นะครับตามตราเขาว่ามันดีนีว่าได้มันแล้วพอทำเสร็จเรียร้อยแล้วท่านอยากจะรู้มันจริงหรือไม่จริงตำราเาว่อย่างนั้นโตถ้าติดเือเผินไหนต้องเผาไฟเตอรเผินนั้นเล่นอะไรไม่ออกมานะไปต้มต้มไม่ได้มันก็ยังยังยั ง, ย, งยังออกอยู่ทำลายมันไม่ได้อารมณ์ภาพ ฉันไม่รู้จะโผล่ตั้งแตเกิดมาเรืาา่กรรมนั้นฉันไม่เป็นเขาทุกอย่างให้เป็นเราเขายืนโผล่เข้ามาทำมันลงเล่นใ้นปัน่นู่ลา ง, งวัดแถวนั้นแถวบ้านเมืองมแงัอยู่รจริงๆติดมุมไหนออกมุมนั้นไอ้เสือผืนนั้นอะติดติดหลังมันอยู่อเู่รอกศึกษากับน้ำต้มแกะพาใหญ่ๆต้ม เอาเล่นไอ้โปงก็ยังตายตามนั้นฉันไม่กลืนใจอีนี่ตัวระยำ ม, มาแล้วจำไม่ชังร์ว่าพระเนี่ยจะเล่นเรื่องเครื่องรางของกลางหลือก็โดยม้าจิตนั่นไม่มคม่อยถงพะแท้อะไรไม่ได้มัวเมาเพงคิดใใจว่าทำดีขึ้นโป๊ะๆอะไรนี้ อ, นอาเป็ายจะไม่ไปรับนะแหละจะโงอะไรการไม่เอา เ, เลดีกว่านรกก็เห็นแล้วสวรรค์ก็เห็นแล้วสมุนกก็เห็นแล้วตอนนี้เอาเวยดีกว่านี่ไอ้ตัวมิจฉาทิฐิมันมาแล้วมันนัวไอ้ตั ว, วทรัพย์ถ้าทำยังไงกสฝึกไปเล่นโป้ทําทำไว้เล่นโป้ไม่คิดขาดต้รวยเป็นเงินล้านน้อยก็ดิ้เขาดีก็รกว่ารับไปเยอะกันมนี่ความคิดเห็น ช, ชั่วชั่วมันเป็นอย่างนี้ อนวานชั่วจะมีไม่ไนดน้ที่วันหนึ่งกำลังซ่อมอยู่หลวงพ่อปานได้กำหนดมาเดือนหนึ่งในวันที่อา่านดูก่อนไม่จะมาเดือนนี้หรอกไหนก็ได้กำหนดมาตามยังหวะกวจะทำเสร็จยังเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งถึง จ, จะกลับแต่วันนั้นตอนกลางคืนกลังอมกันอยู่ท่านแอบกลับถึงเวลากลางคืนกลับก่อนหน้าเดือน กลับาอะไรไม่รู้กำลังซอมอยู่บนกุฏิันอหน้ามุกขุลาใหญ่โย่นางไกลออกมาแล้วทางไกลเจอที่สนมไมรู้ถ้าไมยงข้างหลังยงไงถ้าเกิดไม้เท้าข้อหัวตกนี่เอาจารย์โป้อาจารย์ธนวันโปแต่รักตำราสักีขอบครับเอาไทเอาไทเป็นจัต้นจะบ้านไหนนี่ ไอ้ยังงี้ก็เรียกว่าหน้าพลน์โตมันไม่ได้ออกตามบุญตามกรรมใเ่องกรมันนันเฉยๆยงบานีลนบังคับนต้ออกเป็นหน้าพลนบาปลงในรกอะไรได้การธรรบัตรแล้วแต่ไม่เล่นเลยย้างทันติดตอนทีสุดพาที่พระเขียนแภาษาจะไปทิงน้ำมันก็คนีจะตีิ่งข พอไปถึงท่าน้ำนาเจตระใสสองสามแล้วพ่อหงจวนเล็กนิดเดียวแต่หลับก็เดินขึ้นมาโบกทิ้งแล้วท่านก็เลยขี้วนกระเป๋าอะไรนี่บอกมาทีตาดีไปยของนนกระเป๋าอะหยิบมาก็ใช่แต่เลยไม่ไม่เทาตีหัวปกเพไอ้เจ้านี้เป็นเทากหมันเร็วยังไปไปทิ้ใหม่ เฮ้ยเจ้าก็ต้องทิ้งจริงๆมาทิ้งแล้ก็แล้วไปท่า น, นมาถามฉันว่าเสียนายไหมผมไม่เสียนายครับผมอยากจะลองดูว่าตำรามันจะจริงแล้วไม่จริงว่าตำาาราเนี่ยเขาจริงทุกอย่างเนี่ยเขาจริงทางนั้นแต่ถ้าว่าขอให้คนมันจริงถึงตำลาเขาเถอไอ้ที่ว่าของไม่ดีของไม่จริงนะ่คนมันจริงมันดีไม่ถึงตำลาเขา ถ้าจิตมีสมาธิอย่างเธอทําอะไรก็ได้สูงความปัญญามันแต่ว่าเครื่องรางสิลปาตาทาั้งหลายเหล่านี้เธอจงอย่าบูชาว่ามันดีมันเป็นสิ่งทําลายความดีนี่เธอกําลังจะตกอยู่ในเป็นธาตุถึงความมัวเมาความร่ํารวยในลาภสกา r g แล้วสิแต่จะไม่มานี่เธอพิจารณาสิมันไม่ถูกหรอกถ้าเธอตั้งใจโบกมาเพื่อจะรู้นรกรู้สวรรค์รู้พุทธโลกพุิพัน ยี่เธอก็ท่องเที่ยวไปได้แล้วทําไมไล้วเธยจะกลับไปนรกนะทํามว่าเริงการบันั น, นไปณรกหรือครับบอกทําไมมันจะไม่ไปจิตมนมั่วโสมุอยู่ในการบันันเวลาจะตายจิตก็เดือดร้อนไม่ผ่งใสจิตก็ต้องตนกนรกอีกเการหนึ่งถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเล่นโดยอาการออกของไปทําอย่างนั้นบังคับให้โผออกไม่จะออกตามบุญตามกรรมอย่างนี้มันเป็นอาการของการล้น คือในข้ออธินาทานฉะนั้นของที่ท่านให้เธอจริงเนี่ยถ้าเธอจะเล่นเองก็ตามไม่ให้บุคคลอื่นเล่นก็ตามให้บุคคลอื่นเล่นก็ฉะนก็เธอก็ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้วางแผนการตน ถ, ถ้าเธอเล่นจะมีพวกร่วมเล่นด้วยก็ถือว่าเธอเป็นหคนหน้าพวกหล่นแล้วก็พวกุนั้นก็ร่วมมือกันตนอย่างนี้ก็ตกนรกหมดทุกคน ฟังแล้วใจหายว่างเลยว่าโทษท่านในการเ่งการพนันจะร้ายแรงพงเทียงนี้มีนดีหนอสบุญบารมีของพ่อรู้แค่ท่านแต่สงสัยว่าทถามนั่นว่านีท่านจะกลับเดนกลับไมกลับมาเร็วถามาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าอีกเดินจริงจะกลับนี่รับแต่ไมหลวงพ่อกลับมาเร็วนัท่าน ท่านก็บอกว่าีฉันพวงนี้ฉันก็ไปใหม่แล้วที่ฉันกลับมาเนี่ยฉันรู้ว่าแกจะเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มทำลายความดีถา ม, ามพระพ่อรู้ยังไงครับผมท่านก็เลยบอกว่าเทว ด, ดาเขาก็ไปบอกฉันนะสิเทว ด, ดาที่เขาควบคุมแกอยู่เขาไปบอกฉันว่า แ, แกจะเริ่มเล่กาพนันแล้วขอให้ฉันมาม า, มาเปลี่ยนเถิก็เลยกลบพนุ่มไปสาครั้ง ลายกรรมอย่างนี้ต่อไปกตผมจะไม่ทาอีกเพราที่ทำก็อยากจะทดลองสมาธิของจิตแลอยากจะลองผลแห่งคาถานั้นเพราคาถาทั้งหลายที่เขาเขียนไว้มันเป็นความจริงเมีดีสงมีประโยชน์จริงตามที่เขาเขียนไหมงนั้เลยบอกว่าเรื่องคาถาทั้งหลายจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันขึ้นอยู่กับสมาธิจิตอย่างเดียว เข้าสมาธิจิอย่างดีแล้วไม่มีกาถาก็ใช้ได้เมื่อเข้าสมาธิธได้หลังฌานสี่มันคงจิตเป็นอยู่เบื่อค่ะลมร้ายอาจารย์ที่ทานอะไรให้เป็นยังไงก็ใช้ได้ยังไงป่วยปูนี่เราได้ที่จะกุญแจแล้วาจะกำหนดรู้ยังไงก็ได้ก็ถูกไม่ต้องไม่ต้องไปทำคาถาแบบนี้หวาถ้าว่าเราจะกำรู้ก็ได้หรือว่าเราจะเข้ากระสิบนบังคับให้ปให้ผัวให้ เรงกรรมนันต่างๆมาเปิดออกมาแล้วให้อยู่ในทัศนทต่เราต้องการให้เป็นไปมันก็เป็นได้อันนี้ในของเมย่าตัวเป็นการวิชาทิฏิมันเป็นของศีกเปเหตุนามาถงนรกเป็นเหตของอับอายเหตุผเธอเหตสนใจมันมันจะแนะนตามผลของมันเท่านั้นนะจะไม่สอนให้เธอทำอย่างนั้นในทิฏฐิพวกเราต้องมุงกาวเดก้าวน แ ล, แล้วพอผมจะรับฟังและจะปฏิบัติตามคำตัดกสกือนแนะ น, นำสั่งสอน ข, ของของท่านทุกอย่างท่านก็มือก็ ห, หัวก็ตัวดีแล้วยูกข้าเป็นคนไม่เป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่เดินดาอย่างนี้นข้าชอบใจแต่อแต่นี้